<ic> ความแตกต่างของชีวิตที่สําคัญที่สุดที่แสดงให้เห็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรรมคือความได้พบชาติของพรหมเทพความได้พบชาติของมนุษยกับความได้พบชาติของสัตว์เทวดาอาจมาเป็นมนุษย์ได้เป็นสัตว์ได้มนุษย์อาจไปเป็นเทวดาได้เป็นสัตว์ได้และสัตว์ก็อาจไปเป็นเทวดาได้เป็นมนุษย์ได้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 เป็นที่ยอมเชื่อถือกันมากกว่าเทวดาจะไปเป็นอะไรอื่นจึงมีคำบอกเล่าหรือสันนิษฐานกันอยู่เสมอว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นเทวดามาเกิดทั้งนี้ก็โดยสันนิษฐานจากความประณีตงดงามสูงส่งของผู้นั้นผู้นี้บางรายก็มีพร้อมทุกประการทั้งชาติตรกูลที่สูงฐานะที่ดีผิวพรรณวัรณะที่งามกิริยาวาจามารยาที่สุภาพอ่อนโยน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 เป็นที่ยอมรับทั่วไปโดยเฉพาะในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั่นคือสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงโลกมนุษย์ประสูติเป็นพระสิทธถราชกุมารพระราชโอรสพระเจ้าสุทโทธนะกับพระนางสิริมหามายาเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่รู้จักกันกว้างขวางคือเรื่องของเทพธิดาเมลา เทพธิดาองค์นี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์รักษามหาสมุทรมีหน้าที่คุ้มครองช่วยเหลือมนุษย์ที่ถือไตรสา ร, รณาคมมีศีลสมบูรณ์ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาพราหมณ์โพธิสัตว์เดินทางไปเรือแตก่กลางมหาสมุทรพยายามไหว้เข้าฝั่งอยู่ถึงเจ็ดวันเทพธิดาเมขขาจึงแลเห็นได้ไปแสดงตนต่อพระมหาสัตว์ทันที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 ต่อมาคือพระอุบลวรนนาเถรีและผู้ดูแลช่วยเหลือพระมหาสัตว์ต่อมาคือพระอาณ น, น์นี้คือเทวดามาถือภพชาติเป็นมนุษย์ได้อย่างน้อยก็ตามความเชื่อถือจึงมีการเล่าเรื่องเทพิดาเมฆลาดังกล่าวเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้และมนุษย์ก็เกิดเป็นเทวดาได้ดังที่สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวัน ได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาทกว่าเมื่อทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียนได้ทรงซื้อสินค้าในนครพาราณสีบรรทุกเกวียนนำพ่อค้าจำนวนมากเดินทางไปในทางกันดาลเมื่อพบบ่อน้ำก็าพากันขุดเพื่อให้มีน้ำดื่มได้พบรัตนะมากมายในบ่อนั้นพระโพธิสัตว์ทรงเตือนว่าความโลภเป็นเหตุแห่งความพินาศ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 มาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือมนุษย์เกิดมาจากสัก์ได้สมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระพิสุรูปหนึ่งมีจิตหวงห่วงผ้าสบงจีวรที่เพิ่งได้มาใหม่ซักตากไว้บนราวมรณะผ้าไปขณะผ้านั้นยังไม่แห้งจิตที่ผูกพันในผ้าสบงจีวร น, นั้นนำให้ไปเกิดเป็นตัวเลนเล็กๆเกาะติดอยู่กับผ้าพระภิกสุอีกรูปหนึ่ง